พระบัญญัติ6 9ก็ภิกษุณีใดประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงฆ์พร้อมเพียงกันลงโอเคปณิยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตุศาสนั้นรรผู้ไม่เอื้อเฟื้อสงฆ์ยังไม่รับรองอยังไม่ได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าแม่เจ้า ภิกษุนั้นถูกสงพร้อมเพียงกันลงอุเคปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินยัยโดยสัตูสานเป็นผู้ไม่เอือเ้อเฟื้อสงฆ์ยังไม่รับรองยังไม่ได้ทําภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหาหแม่เจ้าอย่าประพฤติตามภิกษุนั้นภิกษุณีนั้นผู้อันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นภิกษุณี นั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมุภาัสจนครบสามครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นท่านางกําลังถูกสวดสมุปหัสกว่าจะครบสามครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีท่านางไม่สละแม้ภิกษุณีนี้ก็เป็นปาราชิกชื่ออุคิตานุวัติกาหาสังวาทไม่ได้เรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ